บทภาชนี7 2 5กรรมที Ta ่ทำถูกต้องพิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องพิกษุณีไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องพิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศตติกะทุกก์ กรรมที <łość> ่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอวบัตรทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอวบัตรทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอาบัตรทุกกฎ